เอวะเมวะอิโต้ทินังเปตานางอุปกาปะเตอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกป้าจันโธปนารโสยธามานิชโชติระโสยธาสพีติโยวิวัชานตุสัพพโรโคโ วินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภะอะพิวาธนศีลิสนิจจังวุ ธ, ธาปจายโนจัตตารธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะ สัพพธรรมมานุพาเวนะสัพพสังฆานุพาเวนะสทาโสถีภวันตุเต